ให้กำหนดตัวที่ใจเพราะถ้าเรารู้ใจของเราเองแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เพราะความดีก็เกิดที่ใจความทั่วก็เกิดที่ใจบาปก็เกิดที่ใจบญก็เกิดที่ใจ ใจเป็นผู้ป่อใจเป็นผู้สั่งสมใจเป็นผู้ดินน้นรนใจเป็นผู้สแสวงหาซึ่งโดยธรรมชาติของใจแต่ดั้งเดิมเมื่อเดนี้มีผู้เขียนปัญหารอถามเอาไว้ว่า จิตกับวิชาใครเกิดก่อนหลังกันก่อนที่จะตอบปัญหาคำนี้ขอทำคำเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตจิตใจใจเนี่ยดั้งเดิมมันไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจมันเป็นาธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่ า, าธาตุรู้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 เป็นผู้ชายปรุงเป็นผู้หญิงปรุงเป็นฝนปรุงเป็นสัตว์แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นว่าอะไรจะมีอะไรในจักวาล น, นี้มันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็สมมติบัญญัติเรียกกันพอรู้เรื่องกันเท่านั้นเอง แต่เสร็จแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นที่มันจะเกิดมีอะไรม่อะไรขึ้นมาเพราะอาวิชชาความไม่รู้ว่ามันจึงเป็นเหตุให้ปรุงปรุงว่าอันนี้มันก็ดีปรุงว่าอันนี้มันก็เล็วปรุงว่าอันนี้มันก็เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจอวิชชาปจจยาสังขาร อวิชาความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารละแปลว่าปรุงแปลว่าแตง่งเมืเเ่อเกิดได้ดูปูดปากปากเอาไว้แล้วว่าโูคเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมาลงเขาเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของเขาเขาเป็นกลางกลางเขาจะดีจะชั่วจะเร็วจะประณีตละเนียยดอ่างไร ก็ไอ้เจ้าใจที่มันมีอวิชชาห่อหุ่มนี่แหละมันจึงไปเที่ยวปรุงว่างให้เขาดีเขาทั่วเขาเหลวแต่แท้ที่จริงมันไม่ชะโงกดูเก่าหน้าของตัวเองไปเที่ยวตูสิ่งโน้นตูสิ่งนี้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้ามโนธาตุที่มันน้อมออกมาสู่อารมณ์นี่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 เรามีความรู้สึกนึกคิดเฉพาะเวลาที่เรามีส่วนประกอบคืคอร่างกายบางที่อาตมะได้หัดตายเล่นเล่นลองดูได้เมื่อมันตายจริงลงไปแล้วปฏิสนธิวิญญาณที่มันคลองอยู่ในร่างนี้มันนี้ออกจากร่างกายไปลอยเก็ดอยู่เฉพาะตัวมัน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 โดยที่สุดแม้แต่ร่างกายตัวมันที่เคยอาศัยอยู่มันก็ไม่เด่นนึ ก, กว่าตัวมันแม้ร่างกายมันจะเน่าเปื่ยปูกพังไปประการใดก็าตามมันก็นิ่งเฉยเพรามันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เชื่อท่านทั้งหลายถ้าหากเป็นนักปฏิบัติสามารถทําจิตให้บรรลุ ถ, ถึงทั้นที่เป็นสมสถะอยากละเอียดจนตัวหาย ท่านจะรู้ได้ทันทีว่าเิดในเมื่อมันเข้าไปสู่พบเดิมของมันซึ่งเป็นฐาตแท้ของมโนธาตุเป็นประทบิญญานมันจะไม่มีปฏิกิริยาอาการอันใดแสดงออกอย่างดีมันก็เพียงจะเป็นนิ่งว่างสว่างอยู่เฉย ที่มันไม่มีปฏิกิริยาอาการอย่างนั้นก็เพราะมันไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องใช้แม้ว่าไอ้เจ้าจตจดหรือมโนธาตุตัวนี้มันจะเก่งวิเศษสักปันใดก็ตามเมื่อมันมาสัมผัสกับร่างกายซึ่งมีความเป็นปกปกติความผิดปกติทางประาาสาทสั่งการ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 ถ้าหาโก้ปฏิบัติมัวแต่จะไปงมเอาแต่ตส่วนที่จิตมันสงบนิ่งแน่เป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิโดยไม่มีปรตกิริยาอาการใดๆปังเกิดขึ้นเอากันแต่เพียงแค่นี้ภาวนาการทีใดก็เอาแต่จิตสงบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอย่างไม่มีตัวมีตนปรากฏโดยที่สุดแม้ว่าโลกคือแผ่นดินอันนี้ก็หายสาบสูญจนหมดสิ้น ในจักร ว, วาลนี้มีแต่จิตดรงเดียวซึ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ความปล่อยวางของจิตในทัานนี้จะเพิ่งเข้าใจว่าท่านถึงความบริสุทธิ์สะอาดแล้วแต่แท้ที่จริงมันปเปรียบเหมือนดังว่าเมล็ดในของผลไมา้ในเมื่อก่อนที่มันจะหล่นลงจากต้นของมันมันได้เก็บเอาอาวัยวะต่างๆเข้าไปรวมอยู่ในเมล็ดในมัน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 แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามแต่เพื่อแห่งรากแก้วแกนใบดอกผลมันเก็บรวบรวมเอาไว้ในแกนในของมันหมดแล้วสภาวะจิตที่เราสามารถภาวนาแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปบรรจุเอาไว้ข้างในแม้มันจะเหลือแต่แกนในเพราะมันคือความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันใสสะอาดสว่างสบาอยู่ อย่าไปเข้าใจว่ามันหมดกิเล็แล้วแต่แท้จริงมันเก็บเอาเสื้อของอวิชชาสันหาอุปาทานไปะรวมไว้ในแก่นของจิตของใจของมโนท่าปสมวิญญาณและตัววิญญาณอันนี้ซึ่งมันไม่มีอวัยวะส่วนประกอบที่จ ะ, ะแสดงปฏิกิริยาอันใดออกมาให้เรามองเห็นในแง่ที่เป็นกิเล็โลกโปรดลง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 เข้าไปถึงจุดที่สงบนิ่งสว่างโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วเขาก็เข้าใจว่าของเขาสาเร็จอรินิพพานแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำสมาธิภาวนาถ้าเราไปติดอยู่แต่เพียงความสงบของจิตจิตนิ่งนิ่งแล้วอย่างนิ่งยังไม่มีอะไร หลางกายตัวตนหายไปหมดสติปัญญาหายไปหมดความรู้สึกลึกคิดใดๆไม่มีเหลืออยู่แล้วแล้วก็ไปเข้าใจว่าเตียงแค่นี้เป็นจุดสําเร็จพระนิพพานเหลวไหลทั้งสี่อันนี้เป็นแต่เตียงแค่ว่าความองอสงบของจิตเรื่องปราศจากความคิดทําไมมันจึงไม่คิดเพราะมันไม่มีเครื่องมือ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 โอ้ได้ยินเสียงถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็รู้สึกยินดียินดายในส่วนอื่นๆถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันประสบเข้าแล้วมันก็พอใจไม่พอใจดังนั้นในลทัทธิศาสนาฟานที่เขาเข้าใจว่าเขาสาเร็จแล้วก็เขาเขาทำจิตไปถึงจุดดังที่กล่าวนี้ ในเมื่อเจตจูในจุดต่ังที่กล่าวนี้ความรู้สึกในอาการของกิเลสและความรู้สึกนึกคิดใดๆมันไม่มีจริงๆจึงเป็นเหตุให้คนที่มีปัญญายัางอ่อนเข้าใจว่าตัวเองนี่สำเร็จมกผลนี่ผ่านไปแต่แล้วแต่เริ่มนึกถึงว่าเมื่อเขาออกจากสกมาธิในพัทในนี้มาแล้วในเมื่อมามีตาหูตมูกเล้นกายแต่ใจ เขาเริ่มนึกว่าเขายังมีความยินดียินไล่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขายังมีความยินดียินไล่อยู่เขาก็ยังะลาใจยังเนึกว่าจะตายเมื่อไหร่พอรีบเข้าไปสู่กานิพานในจุดดังกลา่าวแล้วก็ได้ผ่านหมดสิริไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกอันนี้คือความเข้าใจของผู้มีสติปัญญาน้อย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 พราองค์ก็มาฝากว่าในเมื่อประสบสิ่งเหล่านั้นแล้วอวิชาความไม่รู้รู้เท่าเอาเอาความไม่รู้หรือความรู้เท่าเอาทันมันยังไม่เพียงต่อคือสติปัญญายัางอ่อนความรู้สึกกินดีกินได้ความชอบความไม่ชอบกันก็ยังเหลืออยู่ถ้าเราจะเป็นรอเอาต่อเมื่อว่าเราใกล้จะตายแล้วรีบเข้าสมาธิ ทำจิตให้มันไปบรรลุคุณธรรมถึงขั้นนี้แล้วนี่ผ่านไปถ้าเพื่อว่าเราเผลอไปแล้วเราเข้าผ่านแล้วเข้าสมาธิขั้นนี้ไม่พันตายเสียระหว่างกลางพันเราจะไม่ตกนรกหรืออันนี้เป็นพระปัญญาของพระพุทธเจา้าถ้านในจุดที่มันมีความละเอียดสุกขุมจนกระทั่งตัวหายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วในโลกนี้ดักรวาลนี้มีแต่จิตของเราอันเดียวเท่านั้น าหากว่าออกมาข้างในที่จะเราดูข้างในสภาพเิยียกมันเป็นอย่างไรเมื่อออกมาข้างนอกมาเห็นสิ่งต่างๆมาประสบกับสิ่งต่างๆแล้วถ้าความรู้สึกในด้านจิเลสมันไม่มีปลากฏุขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าจิตใจของเรานี่มันบริสุทธิ์สะอาดตลอดการ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 อันนี้จึงจะได้สวัเป็นผู้สำเร็จแล้วดังนั้นปัญหาที่ว่าอาวิชากสิติดใครเป็นผู้เกิดก่อนหลังกันอวิชาเปเตมเจตติกันหนึ่งซึ่งมันคอยติดทำเพราะเจ้าดวงจิตดวงนี้มีอวิชาอาวิชาความไม่รู้เป็นเหตุให้ทำกรรมครั้นทำกรรมแล้วได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วต้องเป็นเหตุให้มาเกิดอีก เมื่อเกิดเออก็อาศัยอวิชาตัวเดียวนั่นแหละแล้วก็หลงทำกรรมต่างๆตามความเข้าใจของตัวเองกรรมดีบ้างกรรมตั่วบงังทำกรรมดีก็เรียกว่าทำบุญทำกรรมไม่ดีก็เรียกว่าทำบาปสิ่งที่เรียกว่าบุญและบาปทั้งสองอย่างนี้เป็นผลซึ่งเกิดโดยกฎของธรรมาชาติคนเรามีกายมีใจในกายของเรามีใจเปิดใหญ่ ในื่าไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งให้ไปตีหัวคนทักพ๊กหนึ่งลงไปเขาตายลงไปภายหลังมันมันเลิกว่าโอ้ยเผลอไปท่านทำเล่นๆล็กไม่ต้องการผลตอบแทนจ้างอีกต็องรีเรี่งไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นผลที่จะพึงได้รับโดยกฎของธรรมชาติความรุติธรรมอันใดในโลกนี้จะไปยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมที่จิตวิวา ใจเป็นนายตายเป็นเบา่าในเมื่อไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งตายให้ทําอะไรลงไปให้พูดลงไปอยาเป็นตามดีก็าตามเป็นตารรมทั่วกว็าตามเขาจะหลีกเลี่ยงผลงานที่เขาสั่งการลงไปไม่ได้เลยเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบทุกเสิ่งทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นอันขาด อันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกระตุ้นเตือนให้เราพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนฝืนมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็าตามผั้กวก็าตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน จริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านผู้ฟังไปพิจารณาเอาเองอย่างบางทีก็มีเด็กหนุนม่มๆเด็กว้ลรุ่นมาเคยถามว่าราคนเจ้าฆ่าสัตว์ไม่บาปไหมบาปมันจะเห็นทันตาหรือเปล่าหลวงพ่อก็ถามว่ามนุษย์ประสาประเทศหนึ่งใช่ไหม เขาก็บอกว่าไทยหนูจะทดลองหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ทดลองดูเอาเองหลวงพ่อรับรองว่ายืนยันว่าต้องเป็นบาปและเห็นบาปผ่านตาด้วย <c oughs> เอากันอย่างนี้ถ้าจะพิสูจน์กันให้เห็นจริงในปัจจุบันนี้หนูออกจากุติหลวงพ่อไปแล้วเดินออกไปถนนใหญ่ เห็นคนเดินมาก็กำหมัดแน่แนๆซัดปากมาเข้าไปครับหมัดสองหมัดลองดูสิมันจะมีอะไรโตต อ, อบหรือเปล่าถ้าหากว่าหนูต่อยปากเขาแล้วเขาเดินหนีเฉยไปก็แสดงว่าการทำลายล่างต่าตายเขามันไม่เกิดบากแต่ถ้าเขาซัดเกิดแล้วก็แสดงว่ามันจะต้องบาดแน่ๆ อันนี้เราพิสูจน์ได้เลยทีเดียวไม่ต้องไปพูดถึงผลบาป ก, กันที่จะต้องไปพูดถึงในสิ่งที่เราไม่เห็นอย่างในปัจจุบันนี้เราด่าเขาเขาด่าตอบเราตีเขาเขาตีตอบเราลายตอบเขาเขาลายตอบเราดีตอเเขาเขาดีตอบสิ่งทั้งหลายเห ล, ล, ล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบยกมาไิเจรณาเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อจะยังศรัทธาคือความรู้จึกของเราให้มีความเชื่อมั่นและเรื่มใสลงในคำสอนของต้มเดชประสมมาสัมพปตเจ้าการกล่าวธรรมะอันเกี่ยวด้วยโอมด้วยโอ ม, จ, มจิตโภมใจเพราะว่าในงานนี้เราก็ได้อาราธนาพระเทลานุเสระในระดับพระอาจารย์ชั้นสูง <c oughs> เคยกันที่เคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ของผู้แสดงธรรมก็หลายท่านผู้ไปผู้มาก็รู้สึกว่าหนาวหนาในใจเพราะโดยวิสัยของท้าทุลงกรรมาฐานแล้วจะต้องมีความเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ของตนเป็นอย่างยิ่งในพระนาถ ท, ท่านทั้งหลายอารลัสนามาแสดงธรรมนี้ ก็อดที่จะเท็ดไม่ได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดีกว่าไก่ป่าไก่ป่าเ่ามีนิสัยเป็นอย่างไรสมมติ ว, ว่าในป่าหนึ่งมีไก่ป่าตัวผู้มีจานวนอยู่ร้อยตัวพันตัวเราจะได้ยินเสียงไก่ตัวที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นขัน ถ้าไก่ตัวอื่นขันแทกแต่งขึ้นมาแล้วหมู่พวกของไก่ทั้งหลายมันจะลุมจิตส่วนตายอันนี้วิสัยของไก่ป่ามันเป็นแาบนั้นวิสัยของพรา น, นักปฏิบัติซึ่งมีความเคารพในบูชาบูชาในคูบาอาจารย์ถ้าพูดมากนักก็มีความรู้สึกหนาวในจิตในใจกลัวว่าเราจะเกิดบาปซึ่งมันอาจจะเป็นการร่วมเกินก้าวไกลครูบาอาจารย์มากเกินไป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 หน้าที่ของการปกปัญหาแก้ปัญหาจะต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเราจะต่างคนต่างนั่งเทศแผงกันอยู่อย่างในสมัยปัจจุบันนี้แม้แต่การถือนิส้ครูบาอาจารย์ตามระเบียบพธรรมมาวินัยตามระเบียบวินัยก็ตามเราอยู่ในสำานักของครูบาอาจารย์ เราไม่ได้นับอายุพัรษาก็ผ้าว่าเราค้นเนตใส่ ย, ยมุตก็รเราถือว่าการโค้นเนตใส่ ย, ยมุตนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของอุปชาอาจารย์เป็นผู้ยกให้เช่นอย่างหลวงตาอนซึ่งเป็นอาจารย์ของอาศมา่ในสมัยที่ท่านออกจากพระว่าดไปบวชทีแรกก็ไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มัน่น ท่านอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นตาเถนทีผ้าขาวอยู่สามปีอบรมตั้งสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติ จ, จนจติดมีการสงบโลธรรมเห็นธรรมโลธรรมาวินัยระเบียบปฏิบัติต่อคููบาอาจารย์แลในศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วการก็ให้เปลี่ยนจากเพศทีเป็นเพศสามเณน <c oughs> เพือให้บวชเป็นเลนใหญ่ต่ออีกสามปีพอครบสามปีแล้วท่านอาจารย์มั่นเลยพาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประสมวนารามในจังหวัดกรุงเทพนี่เองซึ่งท่านอาจารย์มั่นอาจารย์เป็นผู้นำมามามอบให้พระปัญญาทิสารเสนหนูซึ่งเป็นพระอุปชญาญาของอาตมาเองเป็นอุปชาอุปสมบทให้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 โดยลำพังตัวเองได้แล้วท่านจึงเรียกมาสั่งบาปพรเอ้ยเจ้ากัฝึกฝนอบรมกับครูบาอาจารย์มาตั้งสิบปีพ้นนิสัยจะหมดแล้วก็จะช่วยตัวเองได้เรียกออกไปหาวิเวกเฉพาะตัวสกักคนเถอะให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาคนนิบัติปรูบาอาจารย์บ้างนั่นแหละจึงจะได้ออกจากสำนักครูบาอาจารย์ นี่คือจการเีประเภดีของพระสุดงกรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์ในสมัยอดีตในสมัยที่ท่านอาจารย์เตาออาจารย์มั่นยังดำรงชีวิตอยู่และอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีพศ2486ท่านอาจารย์เต๋าได้มรณภาพลง แล้วก็ได้ทำพาปนกิจคือถวายเพลิงเผาศพท่านอาจารย์เสาในงานนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ไปร่วมในงานด้วยในฐานะที่ท่านก็เป็นอันเตวาสิทของท่านอาจารย์เสาซึ่งอยู่ในระดับผู้ใหญ่ท่านนึ่ง <c oughs> ในขนะที่ท่านแสดงคำท่านอาจารย์มั่นแสดงคำว่า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 ถ้าใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับอาจารย์มั่นเป็นอันขาดนี่ โ, โอว่ารั้งสุดท้ายที่ท่านอาจารย์มั่นได้ประทานเอาไว้ไม่ทราบว่าสหธรรมนิ้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะจำได้หรือเปล่าถ้าหากจำได้ก็ขออาภัยด้วยถ้าหากจาไม่ได้ก็ลองเอาไปเช็ดเป็นการบ้านตูดสี